ความรุงเรือ้าสู่ความรุเรืงท่กันดังคูต้นตสู่แดดนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้อง บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันท้าสถาบัน นนปั่นไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา คับท่านังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนาเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันในในช่วงนี้นี่ก็ที่เป็นที่สนใจก็คือกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญ น, นะครับซึ่งเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนนะของนักวิชาการของ ประชาชนหลายภาคส่วนแะครับนะเพราะว่าในช่วงนี้นี่ก็มีการพิจารณาในการที่จะปรับแก้รัฐมนูลในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับนะเปิดเผยเมืเ่อวันที่22กันยายนบอกว่าหลังจากการอภิปรายแก้ไขรัฐมนูลทั้งหกยติจบนะครับนะซึ่งก็จะเวลา ก็จะมีการเปิดให้พิปายกันจนถึงเ ว, เวลา18บแนิกาของวันที่24กันยายนนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้วิธีการเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติใช้วิธีการขานรายขานชื่อรายบุคคลนะซึ่งแต่ละคนก็จะกล่าวครั้งเดียวว่าจะลงมติรับหรือไม่รับข อ, องทั้งทั้งยติ6ยตินี่ก็คงจะเป็นยติที่ เสนอทั้งในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน่แหละครับนะซึ่งซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรมีรายละเอียดกันอยู่ซึ่ง ก, การลงมติอาจจะใช้เวลานาน 3-4 ชั่วโมงนะครับนะนั่นะคือประธานชวนบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีการรับหลักการวราระแรกก็จะมีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันมาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสองจำนวน45คน ก็ได้แก่สว15คนนะครับแล้วก็จะมีพักโคตาของสะสะมีพลังประชาลัด8เพื่อไทย8ภูมิใจไทย4ี่คนก้าวไกล3ประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติเสรี ร, รวมไทยและพักเศรษฐกิจใหม่อย่างละ1คนนะก็จะมาเป็นกรรมธิการวิสามันนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับและวก ส่วนกรณีในชวนบอกว่ากรณีของไอลอที่จะมาเสนอยืน่นร่างแก้ไขรัฐนูลของภาคประชาชนนะจำนวนห0 0 0 0ื่นลายชื่อและตอนนี้ก็เป็นแสนเลยนะครับนะก็จะบอกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรจุเข้าสู่ยติสู่การพิจารณาได้ทันในวันที่23ากันยาเพราะว่าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของห้าหมื่นลายชื่อก่อนนะครับว่าว่าถูกต้องหรือไม่อย่างเช่น บัตรประชาชนนะสำเนา บ, บัตรมีหรือไม่คือมันมีขั้นตอนในเรื่องของการเสนอกฎหมายอะไรต่างๆกันอยู่นะครับเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปซึ่งวันที่22นี่โครงการไอ a อหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนก็ได้เดินเท้าจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนมายังรัฐสภานะครับนไป ลายชื่อประชาชนกว่าแสนรายชื่อนะมามายื่นต่อสภานะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีเลขานุ ก, การของนายชวนลิกภัยประธานและสภามารับเรื่องนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของอตัวแทนไอรลอก็บอกว่าข้อสรุปที่ประชาชนต้องการก็คือนะที่มาของนายยงตรีนี่ต้องเป็นสสนะนายยงตรีนี่ต้องอมาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นสส อันที่สองนี่ที่มาของส so วก็ต้องมาจากการเลือกตั้งนะนะเป็นข้อเรียกร้องอันที่สามก็คือเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระเพื่อให้มีการสรรหากันใหม่ข้อที่สก็เปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐมนูนให้ง่ายขึ้นนะครับนะก็จะได้แก้ไขกันอันที่5้าก็ในส่วนของการจัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่ก็เสนอให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนหรือสสรส0งคนที่มาจากการเลือกตั้ง นะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อเสนอที่มายื่ยนกันแล้วก็รับเรื่องอรับกันไปแล้วนะครับในส่วนของอเลขาของคุณชวนก็ออกมารับเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ในตั้งในส่วนของไอรล อ, อกก็ยื่นนะครับยื่นเสนอกันกันเข้าไปนะครับในส่วนของวุฒธธิสมาชิกเนี่ยมีการประชุมกันนอกรอบวันที่22งเนี่ยในช่วงบ่า ย, ายมีการประชุมนะครับ วิบของวุฒิสภาซึ่งมีนายพรเพชรวิชิตธนรชัยประชุมวางกรอบการพิจารณาแก้ไขร่างและท uman ูลหกฉบับซึ่งก็ตรงนี้ก็ให้ฟีโวนะครับให้สิทธิ์ของสอวบ อ, อย่างอิสระในการลงมติร่างแธรทำนูญฉบับนี้นะครับนะียพราะนี้ก็ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมนั่นก็เป็นคํามยืนหยันของประธานวุฒิสภานะครับว่าจะเป็น อย่างไรหรือไม่นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของประธานสภาจะมีการจัดประชุมนะครับสภาเพื่อพิจารณาล่างกันในวันที่2 3นี่ก็พิจารณากันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับอภิปรายตั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็นายชวนีกภัยประธานสภาก็กล่าวถึงว่าการประชุมรัฐสภานะเพื่อที่จะพิจารณา แก้ไขรัฐนูลนี่ก็บอกว่าก่อเวลานี่ก็จะแบ่งให้สามฝ่ายเท่าๆกันนะครับนะอย่างที่อธิบายกันไปตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการลงมตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประชาชนจะมาชุมนุมหน้ารัฐสภานะครับเพราะเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยนะครับนะก็สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่กันนะครับนะยืนยันว่าทาหน้าที่กันต่อไป ้ลหลังจากนั้นมีการประชุมนะครับนะประชุมสภาร่วมกันก็มีการพิจารณาหลักการต่างๆกันทั้งวันเลยนะครับวันที่ยีแล้วันที่24ก็จะมีการประชุมกันทั้งวันมีการลงมติกันเวลา18เแลนิกาก็ต้องติดตามกันนะต่อนะครับรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันครับ เจ้าเอ๋ยเจ้าเป็นดั่งดอกไม้กลิ่นเจ้าหอมจับใจช่างลวนชวนหลอกผ่อแต่ครั้งเขี่ยวเช่าฟ้าเพิ ก, ก็บินจอพาหัวจสัน่นคลอถูกปล่อยให้โรยรักเด็ดดอกไม้ดอก้า จะขันเก็บไว้แต่จะเหลือเพื่อใครที่เห็นเป็นสุขสายตาลองดอกหาดอกปาลมงทางด้วยเงินตรารอวมานผ่านมาลงท้ายก็เพียง นี้หลงชอม อย่าเก็ดทิ้งเลยดอกไม้เพื่อลงหายใจของโลกนี้เก็บดอกไม้เหล่ า, น, า น, นี้ไว้เติมฟันหากมองยิงเป็นดอกไม้ก็ควรถนอมเธอให้ น, นๆๆบบานนาเก็บดอกบานบานไว้ลูงฉัน มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ในในส่วนของรัฐบาลมีพยายามที่จ ะ, ะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการกว่างงานเหมือนกันนะครับนะซึ่งตรง น, นี้นี่ก็บอกว่าในส่วนของนายกรรีพลเอกประยุทธ์นะก็เปิดเผยหลังประชุมคลมรมว่าคลรม อ, อนุมัติใช้เงินกู้สองโครงการนะมีโครงการนะคน ละครึ่งนะแจก3 0 0พบาทให้ประชาชนนะไปใช้จ่ายนะครับนะไปแล้วก็มีการเพิ่มวงเงินนะของกินซื้อไปซื้อของกินของใช้ของผู้ถือบัตรคนจนคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะซึ่งก็จะทาให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ใ, ในระดับฐานล่างนั่นะก็เป็นแนวคิดของนายกนะครับนะนะก็บอกว่านอกจากนีนี่ก็เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายนะและนอกจากนี้นี่ก็ ในส่วนของครอรมอรับทราบนะผลการประชุมกันของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะของการระบาดของโควิด1ิบเก้นี่ยอสอมสอนะก็บอกว่ามีโครงการเพิ่มกำลังผู้ซื้อนะมีการให้กับผู้ถือบัตรคนจนนะครับนะคือให้งบไปอีกคนละ500เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ1 3 9ล้านนคน นะครับแล้วก็มีการาเพิ่มโครงการคนละครึ่งก็ใช้วิธีการร่วมจ่ายห้าสิเปอร์เซ็นตะไม่เกิดร้อยบาทต่อคนต่อวันนะครับเนะพราะนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นการเป็นมาตรการที่ที่ออกมาที่จะไปแก้ไขปัญหาและนอกอย่จากนี้ยังให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรนะก็ในในเรื่องผลกระทบจากโควิดนะซึ่ง ประมาณ 15,000 บาทต่อคนจำนวน 5,000 ันกว่ารายเนี่ยเป็นการช่วยเสริมก็ไปนะครับสหรับู่ที่ตกหล่นนะหลังจากนี้ก็มีการเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาออกไปอีกหนึ่งปนะีหลังจากที่สิ้นสุดเดือนกันยานี่ก็จะขยายไปนะครับนะสำหรับผู้มีบัตรคนจนเนี่ยประมาณ1 3 9ล้านคนนะก็ประมาณ9 ครัวเรือนก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาระค่าน้ำค่าไฟนะครับสมวนั้นตรงนี้นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ฟรีนะครับใช้ไฟฟรีรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นมาตรการนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรรวมทั้งทางคุณสุดชาติชมกลิ่นน้ำตีแรงงานก็บอกว่าเห็นชอบค อ, อ, อรมอเห็นชอบการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่น ะ, นะครับของภาครัฐภาคเอกชน โดยกรมจัดหางานนะครับก็จะมีการจ้างผู้จบใหม่นะครับนะที่ไม่มีงานทำเนี่ยมาทํางานนะครับนะซึ่งเป้าหมายก็อยู่ที่คนจบใหม่ประมาณ2อง0 0 0หกคนนะก็จะมีการจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือน 50% ให้กับผู้จบใหม่นะครับตามอัตราเงินเดือนนะเพราะฉะนั้นก็มีการหนุนเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนนะครับนะสำหรับคนที่บัณฑิตที่จบใหม่ก็เป็นการ ลดภาระนะครับน่าลดพาระเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะใ น, ในช่วงนี้นี่ก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเฟืดเครื่อแล้วครับปัญหาการเลิกจ้างนี่ยังมีทยอยกันอยู่นะครับหน่โดยเฉพาะการปิดกิจการเพราะนักการที่จะมาเสริมตําแหน่งงานให้กับผู้จบใหม่ก็เป็นการปันเทานะครับภาระทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับห น, น่าในช่วงนี้นะครับที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะ เกีเรื io, ่องของภาคท่องเที่ยวนะครับนะที่มีบริษัทนําเที่ยวทั้งกิจการโรงแรมนะครับนะกิจการที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยปิดกิจการกันไปหลากหลายโดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวนะครับทางแถวภูเก็ตท้งแถวสุราษฎร์ธานีแถวชนบุรีนะฮะระยองอะไรต่างนี่ค่อนข้างที่จะซบเซาล่ะครับนะเพราะว่านักท่องเที่ยว ไ ม, ไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะมีการปิดประเทศนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี้เข้ามาทั้งในส่วนของจากยุโรปอเมริกา น, นักท่องเที่ยวใหญ่ของเราคือจีนแล้ว ก, ก็เข้ามาไม่ได้นะครับในส่วนของจีนเกาหลีญี่ปุ่นทํานองนี้นะซึ่งก็เห็นว่าจะมีการผ่อนคลายมีการเปิดการท่องเที่ยวกันในเดือนตุลานี้นะครับนะซึ่งก็จะให้นักท่องเที่ยว v ี p อพีนีเข้ามาก่อนนะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็ ก็ต้องดูนะครับมาตรการต่างๆอแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเศรษฐกิจของเรานี้พึ่งพาการเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักผล ท, ท้ายนี้ก็คงจะต้องมีการเปิดเปิดกิจการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่กลับเข้ามาล่ะครับทำให้เช่นนั้นนี่ก็จ ะ, ะมีผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักนะต่อเศรษฐกิจไทยของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับนะซึ่ง ว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวนี่จะมาส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะซึ่งก็ให้คนไทยได้เที่ยวกันเอง ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีแหะครับนะเพราะให้ชุมชนเนี่ยจัดเป็นโฮมสเตย์เป็นส่งเสริมให้นําสินค้านะจากชุมชนมาจําหน่ายนะแต่ว่าก็ในส่วนของภาครัฐนี่ก็จะต้องช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันส่งเสริมต่างๆแหะครับนะถึงจะได้ผลว่าการท่องเที่ยวชุมชนนี่ ยังเป็นกิจการที่เล็กอยู่นะถ้าถ้าเสริมกันได้ก็จะเป็นส่วนที่จะหนหนุนเสริมกันเข้ามารวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรนะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ตอนถ้าเสริมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเห็นว่าจะทํากันในทุกตําบลนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนานต้องขอลา ท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ